บทที่สามสิบหกอโศกปัญหาต่อพระโมคคลีบุตรวายวิสัชนาว่าปัญหาที่มหาบาพิตรตรัสถามนี้แบ่งออกเป็นสองตอนตอนหนึ่งว่า คนที่นับถือศาสนาจำเป็นต้องบวชตามลัทธิพิธีแห่งศาสนานั้นหรือไม่ข้อนี้ขอถวายวิสัชนาว่าแล้วแต่ความเลื่อมใสถ้าเลื่อมใสใคร้บวชก็บวชได้ถ้าจิตใจยังไม่เลื่อมใสจะไม่บวชศาสนาก็ไม่ได้ บ, บังคับพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยตรัสว่าจะเป็นบรรพชิตหรือค้าเรือหัก็ตามเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็ย่อมได้ดื่มรสอมตะธรรมเหมือนกันอย่างไรก็ตามการบวชเป็นโอกาสเหมาะที่จะปลีกตนออกจากความชั่วและบำเพ็ญความดีให้สูงขึ้นไปเพราะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าอุปมาเหมือนพระองค์เองเมื่อได้กรองราชแล้วมีพระราชอำนาจมากโอกาสที่พระองค์จะทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อราษฎรก็มีมาก หากพระองค์มีพระราชประสงค์จะ ก, กระทําแต่พระราชาที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมก็จะทรงใช้อํานาจไปในทางเบียดเบียนข่มเหงราษฎรการกระทําเช่นนั้นก็มีโทษมากเหมือนกันการบวชก็ทํานองเดียวกันผู้บวชแล้วตั้งใจประพฤติดีย่อมประสบผลดีมากหากประพฤติชั่วในเพศบรรพชิตก็มีโทษเป็นทวีคูณเพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าการงานที่ย่อหย่อนหนึ่งข้อวัดปฏิบัติเศร้าหมองหนึ่งการประพฤติปรมจันที่ระลึกขึ้นมาแล้วหนึ่งรู้สึกลังเกียดกินแหนงตนเองหนึ่งสามอย่างนี้ไม่มีผลมากเลยเหมือนการจับยาคมบางถ้าไม่ระมัดระวังมันก็ อ, อาจบาดมือได้โดยง่ายอีกอย่างหนึ่ง การบวชเป็นการเข้าสู่ภาวะใหม่แปลกจากความเป็นอยู่ของคลือหัดต้องอดกลั้นสิ่งที่เคยทำมาหลายอย่างในสมัยเป็นคลือหัดต้องงดเว้นสิ่งที่เคยชินมาต้องบังคับความอยากความปรารถนาหลายประการใต้ร่มกาสาวพัดจึงเป็นสถานฝึกกำลังใจดีมากแห่งหนึ่งเสมือนบุคคลพละเรือนที่เคยฝึกวิชาทหารมาแล้ว ย่อมจะทราบดีว่าในขณะฝึกวิชาทหารนั้นต้องใช้ความอดทนเพียงใดดังนั้นตามความเห็นส่วนตัวของอัตมภาพจึงเห็นว่าคนนับถือาศาสนาน่าจะบวชแม้จะไม่ตลอดชีวิตก็สักชั่วระยะหนึ่งสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีสองปีสามปีห้าปีแล้วแต่ศรัทธาและความจำเป็น ก็คงจะได้พบอะไรดีๆในศาสนาถ้าเขาเข้ามาในศาสนาด้วยความตั้งใจว่าจะศึกษาและปฏิบัติตามพระพุธทธวาทส่วนพระราชปุชฌาที่ว่าการบวชเพื่อประสงค์สิ่งใดนั้นอัตมภาพขอถวายวิสัชนาว่าจุดประสงค์ของการบวชก็เพื่อปลดเปลื้องทุกจากตนหรือปลดเปลื้องให้หลุดพ้นจากทุก ถ้าไม่อาจถึงขั้นจุดประสงค์สูงสุดข้อนี้ก็ให้ขึ้นถึงจุดมุ่งหมายที่รองลงมาเช่นบวชเพื่อหาโอกาสศึกษาพระพุทธวจนะให้เข้าใจแล้วนำมาปฏิบัติฝึกหัดกายวาจาใจของตนให้ดีขึ้นจริงอยู่คฤหัสถ์ก็อาจศึกษาปฏิบัติตามพระพุทธวจนะได้แต่มีโอกาสน้อยเพราะมัวกังวลด้วยงานอาชีพ และบุตรภรรยานอกจากนี้เพศคารวาดยังต้องคลุกคลีด้วยอารมณ์ต่างๆอันเป็นอุปสรรคของการศึกษาปฏิบัติธรรมมากอยู่การบวช ถ, ถ้าเข้าถึงจุดประสงค์ของการบวชและมีความเป็นอยู่อย่างนักพรตจริงๆก็มีความปลอดโปร่งผาสุกอยู่มิใช่น้อยเป็นการทำชีวิตให้ประสบสุขสงบในปัจจุบัน หากไม่สามารถบรรลุอริยมรรคอริยผลใดๆก็เป็นอุปนิสัยให้เป็นผู้ใครท่ทาในชาติเบื้องหน้าให้เป็นผู้มีอัธยาศัยประนีตพระคุณเจ้าเชื่อหรือว่าเบื้องหน้ามีจริงคนตายแล้วต้องเกิดอีกหลักธรรมในทางพุทธศาสนาแสดงเรื่องนี้ไว้อย่างไรขอถวายพระพร อาตมาภาพขอถวายวิสัชนาพระราชปุจฉาในวักสุดท้ายก่อนที่ว่าพระพุทธศาสนาแสดงเรื่องนี้ไว้อย่างไรโดยสรุปหลักธรรมของพระพุทธศาสนามีว่าบุคคลผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนี้เมื่ อ, อยังมีกิเลสอยู่ก็ต้องเกิดอีกในระหว่างที่เกิดนี้ถ้าทำกรรมชั่วมากย่อมถือกาเนิดในภพต่ำเช่นนรก หร like ือภาวะแห่งสัตว์ดิรัจฉานถ้าทำกรรมดีมากก็ถือกําเนิดในภพดีเช่นเทวดาหรือมนุษย์เมื่อใดกิเลสหมดสิ้นไปภพชาติต่างๆก็ดับมอดลงเหมือนไฟหมดเชื้ออัตมภาพเชื่อตามหลักนี้เชื่อว่าชาติก่อนมีจริงชาติหน้ามีจริง และเชื่อว่าบุคคลและสัตว์ย่อมเป็นไปตามอำนาจกรรมที่ตนทำไว้กรรมนั้นเองมีอำนาจจัดสรรบุคคลให้แตกต่างกันตามธรรมดาบุคคลสร้างกรรมขึ้นก่อนแล้วกรรมที่เขาสร้างก็ยอกย้อนมาสร้างเขาในภายหลังเหมือนบุคคลทำงานได้เงินเดือนเครื่องเลี้ยงชีพมาผลของงานนั้นกลับมาเลี้ยงเขาในภายหลังให้มีกินมีใช้ มีความผาสุกในการครองชีพพระผู้มีพระภาคตรัสว่าไม่มีแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมบุคคลผู้มีกรรมในอดีตมาดีถ้าไม่ทำชั่วอันเป็นเหตุให้กรรมในอดีตถูกกีดกันด้วยกรรมปัจจุบันก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตมากกฎแห่งกรรมมีความสัมพันธ์กับเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดอย่างใกล้ชิด เว้นกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดเสียแล้วมนุษย์จะมองเห็นว่าโลกนี้ช่างไร้ความยุติธรรมเสียจริงๆเรื่องกรรมค่อนข้างสลับซับซ้อนมากพระคุณเจ้ากรุณาอธิบายให้ข้าพเจ้าทราบพอเป็นแนวทางด้วยเถิดพระเจ้าอาโศกทรงวิงวอนเมื่อจัดตามหน้าที่กรรมมีสี่คือหนึ่งชนกกรรมกรรมซึ่งทำหน้าที่ทรงให้เกิด บุคคลจะเกิดดีหรือเลวในตระกูลสูงหรือต่ำก็แล้วแต่กรรมประเภทนี้เมื่อส่งให้เกิดแล้วก็หมดหน้าที่เหมือนมารดาที่คลอดบุตรแล้วไม่เลี้ยงต่อไปเด็กจะดีหรือเลวก็แล้วแต่พี่เลี้ยงนางนมชนกกรรมนี้มักเป็นผลของอาจิ น, นกรรมคือกรรมที่บุคคลทาจนเคยชินหรือเป็นผลของอสัญกรรม เมื่อทำเมื่อจวนสิ้นชีพในชาติก่อน 2. อ, อุปธรรมภกกรรมกรรมที่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงคอยอุปธรรมค้ำชูให้ดีขึ้นหรือให้เลวลงกว่าเดิมเหมือนพี่เลี้ยงอบรมเด็กดีก็มีอบรมให้เด็กเสียก็มี 3. อุปีรักกรรมกรรมที่บีบคั้นให้ทุกทรมานหมดไป หรือบีบคั้นแรงแห่งกุศลให้สิ้นสูญหมดพลัง 4. อุปคาตกกรรมกรรมตัดรอนกรรมมีพลังมากสามารถตัดรอนทั้งผลแห่งกรรมดีและผลแห่งกรรมชั่วให้หมดไปมหาบออพิษทรงสดับเพียงเท่านี้อาจจะยังมีข้อกังขาอยู่มากอัตมภาพขอให้พระองค์ทรงจดจำคำจำกัดความไว้ก่อน เมื่ออาตมภาพถวายวิสัชนาหมดทุกประการเกี่ยวกับเรื่องกรรมพร้อมทั้งตัวอย่างแล้วอาตมภาพเชื่อว่าพระองค์จะทรงเข้าพระทัยดีขึ้นจัดตามแรงหนักเบากรรมนั้นมีสี่คือหนึ่งคาุกรรมกรรมหนักฝ่ายดีหมายถึงมหคัตตะกุศลจิตคือฌานฝ่ายชั่วหมายถึงอนันตริยกรรมห้า คือฆ่ามารดาบิดาฆ่าพระอรหันต์ทำลายพระพุทธเจ้าเพียงทำพระโลหิตให้ห่อและทำลายสงคือความสามัคคีที่มีศีลอาจาระเสมอกันให้แตกจากกันสองอาจินนักกรรมหรือพาหุลกรรมกรรมที่ทำจนเคยชินทำสม่ำเสมอกรรมนี้ค่อยๆให้ผล ช, ช้าและยั่งยืน 3. อสัณกรรมกรรมดีหรือกรรมชั่วที่บุคคลทำเมื่อจวนสิ้นใจแม้เพียงการน้อมนึกก็ตาม 4. กะตัดตากรรมหรือกะตัดตาวาปณกรรมกรรมที่บุคคลทำลงไปโดยมิได้เจตนาจัดตามการที่ให้ผลกรรมมีสี่คือ 1. คทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันในชาติปัจจุบัน 2. อ, อุปปัชชเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในชาติต่อไปถัดจากชาติปัจจุบัน 3. อัปราปริยเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลหลังจากอุปปัชชเวทนียกรรมเรื่อยไปประสบโอกาสเมื่อใดให้ผลเมื่อ น, นั้น 4. อโหสิกรรมกรรมที่ไม่ให้ผลเลิกแล้วต่อกัน พระมหาเถราธาถวายวิสัชนาแล้วนั่งเฉย อ, อยู่พระเจ้าอาโศกจึงตรัสว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้าขออนุญาตสักรายละเอียดของกรรมทีละข้อพระคุณเจ้าจะขัดข้องหรือไม่ขอถวายพระพรแล้วแต่พระราชะอัธยาศัยประการแรกชนกกรรมกรรมที่ส่งให้บุคคลเกิดหมายความว่าคนเราจะเกิดในตระกูลยากจน หรือมั่งคั่งอย่างไรแล้วแต่กรรมของตนจัดสรรใช่ไหมพระคุณเจ้าขอถวายพระพรใช่แล้วอุปธรรมพบกรรมเล่าเป็นอย่างไรเมื่อบุคคลเกิดมาแล้วสมมุติว่าเกิดมาในตระกูลที่มั่งคั่งด้วยทรัพย์และบริวารเขามิได้ประมาทมัวเมา มันหาซับเพิ่มเติมรักษาซับที่มีอยู่แล้วให้มั่นคงถนอมน้ำใจบริวารด้วยการสงเคราะห์เอื้อเฟื้อพูดจาไพเราะทำประโยชน์ให้และวางตนเหมาะสมการกระทำของเขาเป็นอุปถัมภกกรรมช่วยส่งเสริมผลของกรรมดีเก่ารวมกับกรรมใหม่ทำให้มั่งคั่งมากขึ้นมีบริวารมากขึ้น แต่ทางตรงกันข้ามถ้าเขาได้แล้วซึ่งฐานะนั้นเป็นกุศลกรรมในอดีตส่งมาให้แต่มัวเมาประมาทผลากทรัพย์สมบัติของตระกูลด้วยอบายมุกนาน า, นาประการและคบมิตรเลวกรรมของเขานั้นมีสภาพเป็นอุปีรกกรรมบีบคั้นให้ต่ำต้อยลงจนสิ้นเนื้อประดาตัวบริวารทั้งหมดสิ้น ถ้าเขาทำชั่วมากขึ้นกรรมนั้นจะกลายสภาพเป็นอุปคาากกรรมตัดรอนให้ผลของกรรมดีเก่าหมดสิ้นไปกลายเป็นคนล้มละลายอีกด้านหนึ่งสมมุติว่าบุคคลผู้หนึ่งเกิดมาลำบากยากเข็ญขัดสนทั้งทรัพย์และบริวารรูปร่างผิวพรรณไม่งามเพราะอากุศลกรรมแต่ปางบันหลอมตัวเป็นชนกกรรมฝ่ายชั่ว และเมื่อเกิดมาแล้วเขายังประกอบแต่กรรมชั่วหนักเข้าไปอีกกรรมนั้นมีสภาพเป็นอุปธรรมภกกรรมช่วยสนับสนุนแรงกรรมเก่าทำให้ฐานะของเขาสุดหนักลงไปอีกแต่ถ้าเขาผู้มีฐานะเช่นนั้นเกิดมาแต่ไม่ประมาทอาศัยความเพียรพยายามในทางที่ชอบรู้จักคบมิตร ด, ดีกรรมของเขานั้นมีสภาพเป็นอุปีรกกรรม บีบขั้นผลของอากุศ ล, ลกรรมเก่าให้พราวกำลังลงเขามีความพยายามประกอบสัมมาอาชีพมากขึ้ น, นขนควายช่วยทางบุญทางกุศลขึ้นกรรมของเขาแปรสภาพเป็นอุปคาากักรรมตัดรอนผลแห่งอากุศ ล, ลกรรมเก่าให้ขาดศูนจนในที่สุดเป็นคนตั้งตนได้ดีมีหลักฐานมั่นคง สำหรับกรรมให้ผลตามแรงหนักเบานั้นพระคุณเจ้าให้รายละเอียดพร้อมด้วยการจำแนกพอสมควรแล้วข้าพเจ้าขอถึงนมัส ก, การถามเลยไปถึงกรรมซึ่งจัดขึ้นตามที่ให้ผลประการแรกคือทิฏฐ ธ, ธรรมเวทนิยกรรมขอพระคุณเจ้าได้โปรดอธิบายเพิ่มเติมอัตมาภาพขอถวายวิสัชนารวมกันไปเลยทีเดียวกรรมใดอันบุคคลทำแล้ว ให้ผลในปัจจุบันทันตาเห็นทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วกรรมนั้นเรียกทิฏฐธรรมเวทนียกรรมให้ผลอย่างรวดเร็วส่วนมากมักเป็นกรรมหนักส่วนกรรมใดอันบุคคลทำแล้วยังไม่มีโอกาสให้ผลในชาติปัจจุบันจึงไปให้ผลในชาติถัดจากปัจจุบันกรรมนั้นเรียกอุปปัชชเวทนียกรรมกรรมใดอันบุคคลทำแล้วเนื่องจากรอคอยนานเกินไป เพราะไม่มีโอกาสจึงไม่ให้ผลเลิกแล้วต่อกันไปกรรมนั้นเรียกอโหสิกรรมเหมือนเมล็ดพืชที่ชาวนาหรือชาวสวนเก็บไว้นานเกินไปจนเสียนํามาปลูกไม่ขึ้นขอถวายพระพรเรื่องกรรมเป็นเรื่องสลับซับซ้อนแต่พอตรองให้เห็นตามได้พระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่ยากเกินไป จนถึงตรองแล้วก็ไม่เห็นและไม่ง่ายเกินไปจนถึงไม่ต้องตรองตามก็เห็นพระคุณเจ้ามีหรือไม่กรรมอย่างเดียวกันนั่นเองแต่เมื่อทำหน้าที่อย่างอื่นก็เรียกชื่อไปเสออีกอย่างหนึง่งขอถวายพระพรมีและความจริงก็เป็นเช่นนั้นตัวอย่างเช่นบุคคลผู้หนึ่งประกอบกรรม คืออนาติบาตกรรมอันนั้นทําให้เขาได้รับกรรมค่าตอบในชาติปัจจุบันเขาต้องเสวยผลกรรมนั้นในช่วงกรรมนั้นทําหน้าที่ให้ทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมหรือเมื่อเส้นชีพแล้วก็ต้องไปเสวยทุกข์ในอบายเช่นนรกหรือกําเนิดสัตว์เดรัจฉานกรรมนั้นเป็นอุปัชฌเวทนิยกรรม เมื่อพ้นจากอบายแล้วเศววิบากแห่งกรรมยังเหลืออยู่ทำให้เขามีอายุสั้นเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์กรรมนั้นทาหน้าที่เป็นอประปริยะเวทนียกรรมในกรณีเดียวกันบุคคลบางคนประกอบปานาติบาตแต่เพราะกุศลกรรมในอดีตคอยแวดล้อมให้ผลอยู่อกุศลกรรมนั้นไม่สบช่องโอกาสที่จะให้ผลได้ บุคคลผู้นั้นทราบอย่างนั้นแล้วรีบขวนขวายบำเพ็ญกุศลต่างๆไม่ได้หยุดหย่อนแรงแห่งกุศลหนาขึ้นหนาขึ้นค่อยแวดล้อมเขาอยู่ทุกชาติผลแห่งอกุศ ล, ลกรรมคือปาณาติบาตไม่ศบช่องโอกาสเลยนานๆไปก็จะกลายเป็นอโหสิกรรมคือเว้นการให้ผลเลิกแล้วต่อกันอุปมาเหมือนรัษดรของพระองค์คนใดคนหนึ่ง ฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วเที่ยวหลบหนีอยู่จนพ้นอายุที่กฎหมายบ้านเมืองวางไว้ทางบ้านเมืองทำลายหลักฐานหมดเขาจึงไม่ถูกลงโทษตามกฎหมายได้รับอภัยด้วยการเวลาอาโหสิกรรมมีเป็นทํานองนี้ในกรรมที่เป็นฝ่ายดี จะมีลีลาการให้ผลทำนองนี้หรือไม่พระเจ้าอโศกตรัสถามเหมือนการพระเถระทูลตอบกรรมดีที่บุคคลทำมิใช่จะให้ผลครั้งเดียวแล้วหมดไปมันจะคอยติดตามให้ผลอยู่นานจนกว่าจะหมดแรงกรรมอย่างเดียวกันเมื่อทำหน้าที่ต่างไปก็เรียกชื่อต่างออกไปเช่นเหมือนมหาบาพิตรเองเป็นพระราชโอรสของพระราชมารดา เป็นพระสวามีของพระมเหสีเป็นพระราชาของรัศดรในการแข่งขันกีฬาระหว่างแคว้นหากพระองค์สมัครพระไทยจะอยู่แข่งขันด้วยเวลานั้นพระองค์ก็ทรงฝึกเป็นนักกีฬาแต่ที่แท้ก็คือพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นพระคุณเจ้าในกรรมสองอย่างคือกรรมที่บุคคลทําเมื่อจวนจะสิ้นชีพ คืออาสันนกรรมและกรรมที่บุคคลทําเป็นอาจินสม่ำเสมออาจินนกรรมเมื่อถึงคราวให้ผลอย่างไรจะให้ผลก่อนอาสันนกรรมให้ผลก่อนแต่ให้ผลไม่ยั่งยืนอาจมีจินนกรรมให้ผลที่หลังแต่ให้ผลยั่งยืนขอพระคุณเจ้าจงยกตัวอย่าง อุปมาเหมือนโคซึ่งขังรวมกันอยู่ในคอกพระเถรรัตวายวิสัชนาโคที่อยู่ปากคอกแม้จะเป็นโคแก่หรือลูกโคซึ่งมีกำลังน้อยเมื่อนายโคบานเปิดประตูคอกโคที่อยู่ปากคอกก็ออกก่อนเพราะอยู่ใกล้ประตูนั้นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเพราะแรงดันของโคหนุ่มที่ขังอยู่ใกล้ประตูคอกอยากจะออกจากคอก จึงดันโคแก่หรือลูกโคออกมาแต่เมื่อออกมาจากประตูอกแล้วโคใดมีกำลังมากโคนั้นย่อมเดินออกหน้าทิ้งโคแก่ทุกพลภาพไว้เบื้องหลังฉันใดทํานองเดียวกันอสัญนกรรมมีกำลังอ่อนมากเนื่องจากเป็นกุศ ล, ลจิตหรือกุศ ล, ลจิตซึ่งมีช่วงใกล้ชิดกับการปฏิบัติในภพใหม่จึงให้ผลทันที ในขณะที่บุคคลเคลื่อนจากพบเก่าสู่พบใหม่นั่นเองแต่เมื่อให้ผลแล้วก็แล้วกันไปเท่านั้นเองการตามให้ผลยั่งยืนเป็นหน้าที่ของอาชินกรรมคือกรรมที่บุคคลทำเป็นประจำอาตมาภาพขอถวายตัวอย่างเพิ่มเติมสมมุติว่าบุคคลหนึ่งทำความดีด้วยกายวาจาใจเป็นอันมากมันประกอบบุญกุศลตลอดชีวิต แต่เป็นธรรมดาที่ว่าชีวิตปุตุชนย่อมเคยประกอบกรรมชั่วมาบ้างไม่มากก็น้อยเช่นเคยกล่าวเทศหลอกลวงมารดาบิดาเป็นต้นเมื่อมอรณะสมัยมาถึงเขาไม่ได้คํานึงถึงบุญกุศลที่เคยทำมาก่อนมัวกังวลแต่เรื่องที่เคยกล่าวเทศต่อมารดาบิดาถ้าเขาสิ้นใจลงขณะนั้นแรงบาปที่กล่าวเทศต่อมารดาบิดาก็ให้ผลทันที สมให้เขาไปถือปฏิสนธิในกาเนิดที่ต่ำซา ม, ามเช่นในนรกหรือกาเนิดเดรัจฉานหากเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ลำบากยากเข็ญอยู่ทั่วระยะหนึ่งเพียงเจ็ดวันหนึ่งเดือน6เดือนหรือหนึ่งปีเป็นต้นแล้วผลแห่งอกุศ ล, ลกรรมนั้นจะหมดกําลังเปิดโอกาสให้อจินนกรรมที่เป็นกุศลซึ่งเขาได้สั่งสมมาตลอดชีวิตให้ผลต่อไป เขาจะประสบความสุขความเจริญได้ที่พึ่งที่พักพิงอย่างดีและมีความสุขตลอดชีวิตใหม่ในทางตรงกันข้ามบุคคลอีกคนหนึ่งทำกรรมชั่วมามากเป็นอันมากทําความชั่วเป็นอาจินแต่ถึงกระนั้นเขาก็ต้องเคยกระทำกรรมดีมาบ้างไม่มากก็น้อยเมื่อถึงเวลาจวนจะตายเขาระลึกถึงแต่กรรมดีที่เคยทาไว เช่นเคยถวายอาหารแด่พระสงฆ์เคยช่วยเหลือคนเจ็บเคยช่วยเหลือสัตว์ที่รอดตายเป็นต้นกรรมชั่วเป็นอันมากที่เคยทำเขาไม่ได้ระลึกถึงเลยหรือเขาได้ให้ทานรักษาศีลในขณะนอนเจ็บเจ็บตัวเกืเกอบตายเขารู้สึกถึงแต่ความดีเพียงเล็กน้อยนี้หากตายลงในขณะจิตเช่นนั้น เขาจะต้องปฏิสนธิในกำเนิดดีก่อนแต่เนื่องจากผลของกรรมดีน้อยมากจึงหย่อนกำลังให้ผลเพียงเล็กน้อยแล้วหมดจึงเปิดโอกาสให้กรรมชั่วต่างๆที่เขาเคยทำมาในชาติก่อนรุมร้อมให้ผลทำให้เขาได้รับทุกขเวทนาประสบความเสื่อมวิบัติต่างๆเรื่อยไปแม้เขาจะพยายามทำดีมากที่สุดแต่แรงแห่งอกุศ ล, ลกรรมในอดีต ได้รังควานให้รำคาญเดือดร้อนอยู่ร่างไปไม่มีแรงใดเสมอด้วยแรงกรรม